ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเป็นผู้ใจสูงเป็นผู้ธรรมสูงเคยผ่านครูบาอาจารย์มาหลายท่านหลายองค์หลายสำนักและได้สำเนียกในปฏิปทาแต่ละวัดแต่ละสังคมแต่ละสายก็ได้ความชัดเฉพาะตนเองทุกๆ ท, ท่าน สิ่งที่ควรพูดก็มีสิ่งที่ไม่ควรพูดก็มีมันก็เป็นปัญญาของแต่ละท่านละท่านที่เรื่องการเทศอาตมาเองก็ไม่ช้ำคันตัวว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิ่นล้ำอะไรหรอกเป็นผู้รอยทะเลทุกอยู่เราดีๆนี่เอง ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายสรรพัดทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทีนี้เมื่อม า, มาถึงกันก็จำเป็นจะได้ปารกวําำบ้างเพื่อเป็นสังฆจริยาของพระพุทธศาสนาธรรมดานักปาชย่อมมาอิม่มรม ถึงจะรู้ดีสักเพียงใดก็าตามถ้าหากว่าสิ่งไหนที่เป็นธรรมก็ฟังได้สิ่งไหนที่ไม่เป็นธรรมก็ต้องทิ้งกันแกงแต่ละหม้อละหม้ อ, มอก็ต้องมีทั้งผักทั้งก้างผู้ช า, าดก็เลือกทานเท่านั้น พระในพระพุทธศาสนาเป็นของหายากเหมือนกันยากเพราะเหตุใดเพราะอะไรต่ออะไรสุ่มสี่สุมห้าสารพัดถท่าที่เห็นดน้วยตาถท่าที่เห็นด้วยหูหูในตาใน แต่จะอย่างไรก็าตามพระพุทธศาสนาก็อยู่กับแต่และท่านแต่และคนอยู่แล้วเรื่องอื่นมันก็มีด่า ด, ดื่นทมเถเรื่องของใครของมันเท่านั้นเรื่องส่วนตัวเป็นของสำคัญมากเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าปฏิบททัติทัวคนทุกข์ในวัตจ้าสงสาร ปัญหามันก็ไม่มากที่มันมากอยู่ก็เพราะอะไรต่ออะไรอนละมานถ้าเข้ามาเจตนาหวังเพื่อคนทุกข์ในวารทรงสารนปัญหาในส่วนตัวแต่และท่านและท่านทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังก็ไม่มากตั้งใจภาวนาลงเท่านั้น เมื่อตั้งใจภาวนาลงที่แห่งใดศีลก็มารวมอยู่ที่แห่ง น, นั้นสมาธิก็มารวมอยู่ที่แห่ง น, นั้นปัญญาก็มารวมอยู่ที่แห่ง น, นั้นเพราะไม่ใช่สมาธิหัวต่อเพราะไม่ใช่ปัญญาที่ไม่มีสมาธิสัมปยุตเพราะไม่ใช่ปัญญาที่ไม่มีศีลสัมปยุตศีลสมาธิปัญญาย่อมสัมปยุตกันอยู่ทุกๆขณะ เราจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ตามเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นเป็นของมีอยู่อย่างนั้นมีเครื่องทดสอบในพระพุทธศาสนาอีกเหมือนกันเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติหรือไม่นี่ข้อหนึ่ง หรือหากว่าหวังเพื่อในพบหน้าต่อไปอันนี้ข้อสำคัญเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่สิ่งนี้ไม่มีใครจะมาเป็นพยานเราได้เราเป็นพยานเราเองจึงเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกในข้างพุทธการหมายถึงพระโสดาบันถ้าหากว่า หมายต่ํากว่านั้นลงมาก็ฟั่นเฟือมากไม่มีประมาณเช่นพวกโจรพวกผู้ร้ายเขาก็รู้ตัวเขาว่าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายอยู่จะจับเป็นสันทิษทิโกในทางพระพุทธศาสนาก็ฟั่นเฟือไปสันทิษทิโกในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาวันเป็นต้นไป ภูมิของพระโสดาบันเป็นยังไงบ้างเราพบแตกหรือไม่ถ้าเราพบแตกเราพบแตกด้วยวิธีไหนอาบายามุกทุกประเภทไม่มีในพระโสดาบันกามวิตกมีในพระโสดาบันก็จริงแต่เพาว่ามีขอบเขตอยู่ในวงของตนเอง มาในนอกเหนือไปทางอื่นพยาบาท่ตกไม่มีเลยวิหิงสาวิตกก็ไม่มีเลยถึงจะโกรธจะแค้นจะเพียงไหนก็ต่ า, ตามจะเบียดเรียนท่านั้นท่านี้ไม่มีในพระสว ด, ดาบันอันนั้นเรียกว่าสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนนี้ไม่ในหมายถึงมหานิกายหรือธรรมยุทธ์หรือพิสุจมเนิน ในเพศเ อ, อื่นๆตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาไม่ลำเอียงทางนั้นไม่นิยมชั้นวันลนะแต่ข้อสสำคัญก็มีอยู่ว่าบุคคลผู้ถือศาสน า, าพุทธเคร่งครัดจึงจะสามารถถึงได้เพราะศาสน า, าอื่นๆไม่มีพระโสดาบันไม่มีพระสกทาคามี ไม่มีพระอนาคามีไม่มีพระลาหันพระบรมศาสตรายืนยันเราจะทาพดไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างทาเพราะศาสานาอื่นนักไปในทางวัตถุนิยมแล้วหัวหน้าศาสนาเขาเล่าก็เป็นพุทุชนคนหนาเราดีๆนี่เองแม้พระโสดาบันก็ไม่ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้ศาสนาอื่นๆก็ต้องเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาน้ามันอุ้งมือเดียวไปเทลงในมหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลจะเข้าใจว่าหน้ามันอุ้งมือนั้นอยู่เหนือตนหรืออยู่ใต้ตนก็าตามไม่รู้ก็าตามก็ไม่ผิดตามธรรมชาติน้ามันก็ต้องอยู่เหนือ ถึงจะมีผู้นับถือน้อยประตามศาสนาพุทธพุทก็เป็นพุทธอยู่ตามเดิมผู้ใดจะพูดกดให้เป็นศาสนาเลวก็เป็นไปไม่ได้เป็นโลกุตระศาสนาศาสนาพุทธตากว่านั้นลงมาเป็นโลกิยะศาสนาทางนั้นเพราะอภิธานโทษอย่างหนักหก มาตุขฆาฆามารดาปิตุฆาฆาบิดาอร Hatha ฆาฆาพระรหัน์โลหิตตบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยังพลงเห็นให้ห่อขึ้นไปชั้นประเภทยังสงให้แตกจากกาันอัญญสัตตุเทศถือศาสดาอื่นก็ไม่สามารถจะสําเร็จมรรคผลนิพพานชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วแต่พระโสดาบันไปนาเป็นต้นไปสุปฏิปันโน ก, ก็เป็นชื่อของพระโสดาปฏิมัก เสวดาปฏิผลอยู่ในตัวแล้ววิชุสัคขาครมิมักสัคขาที่เขาไม่ผลญายะพานาคามิมักอนาคายผลสามีจิอนะฮัตตะมักอนะัตตะผลคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเป็นโลกุตรคําสอนทั้งนั้นไม่ใช่โลกิยะคําสอน นับแต่ณโมเป็นต้นไปณโมของพระโสดาวันเป็นณโมที่นอบน้อมไม่สงสัยในข้าวัดปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ถ้าเป็นเดือนก็เป็นเดือนในข้างขึ้นมีหน้าที่จะถึงวันเพนสกทาคามีอนาคามีก็เหมือนกันส่วนพระอรหันต์เพนเต็มภูมิแล้ว ชนะความหลงแล้วไม่มีปัญหาอะไรจะมาแก้ความหลงอีกข้ามทะเลหลงข้ามทะเลของปัญหาข้ามทะเลสงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่สงสัยอันใดในโลกทั้งปวง พุทธศาสนาสอนให้อาศัยปัจปัยจจสีก็จริงแต่ไม่ให้ติดอยู่เพียงแค่นั้นสำหรับเป็นเรือเป็นแพเท่านั้นจะไปติดอยู่จนเลื้งเจองก็ไม่ถูกเหตุฉะนั้นจึงหั่นห่มสันติถีปรมังทนงังความสันโดดเป็นทับอย่างยิ่งไม่ใช่ว่า ใครขอได้ขอเอาและเป็นคนมีปัญญาพระบรมศาสดาทรงสัรเสริญผู้สันโดษเข้วมาสันโดษในทางพระมินยัยก็หมายความอีกอย่างหนึ่ง สันโดษในทางภาวนาก็หมาอีกเราพิจารณาอะไรก็สันโดดในการพิจารณานั้นเช่นพิจารณาพุทโธก็เห็นให้เห็นจริงในพุโทโธเช่ยก่อนเรียกว่าสันโดษเช่นพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์ก็เห็นให้เห็นจริงในทุกข์หรืออนิจจังก็อันเดียวกันหรืออนัตตก็อันเดียวกันเมื่อเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นอนิจจังด้วยก็ต้องเห็นอนัตตาด้วยทั้งอยู่ด้วยกันเป็นเป้าอันเดียวกัน รูปเป้ากองนามรูป ก, กรรมฐานในทางพพุทธศาสนาก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นมีรูป ก, กรรมฐานอารูป ก, กรรมฐานเท่านั้นเช่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูป ก, กรรมฐานรูปประธรรมก็ว่ารูปประธาตาก็ว่าราูปประอินชีก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูปประชังขานก็ว่า นามะทมก็ว่านามะโลกก็ว่านามะขันก็ว่านามะธาตุก็ว่าคือธาตุฝ่ายสังขานไม่ใช่พันธุพานธาตุสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นได้แปลปวนได้แตกสลายไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนหาระหว่างไม่ได้ คุณของ พ, พระพุทธรธรรมพระสงค์ก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวั น, วนกลางคืนหาระหว่างไม่ได้ความแก่ความเก็บความตายในสกุลละกายก็หาระหว่างไม่ได้ไม่มีกลางวั น, วนกลางคืนความเปื่อยเน่าในสกุลละกายก็หาระหว่างไม่ได้ ไม่มีกํางวันกลางคืนตลอดทั้งสงีทั้งสีและที่อยู่สิ่งทั้งหลายมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นไม่ได้ไม่มีอยู่ในอดีตไ ม, ไม่ไม่ได้มีอยู่ในอนาคตเมื่อเห็นปัจจุบันชัดในตอนไหนไหนอดีตในตอนนั้นนั้นก็ไม่ต้องสงสัยอนาคตในตอนนั้นนั้นก็ไม่ต้องสงสัยยกอุทาหร r n เมื่อเห็นอันนี้จังชัดในปัจจุบันอันนี้จังที่ล่วงมาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอันนี้จังที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นทุกชัดในปัจจุบันทุกในอดีต ท, ทุกในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นชาติเป็นทุกในปัจจุบันชาติอดีตชาติอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยไม่จําเป็นจะไปได้เลียงอีกถ้าอย่างนั้นก็เห็นไม่ชัด พอเอาปัจจุบันเป็นพยานเอกปัจจุบันันจะโยธรรมมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นจะไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาด้วยจะไม่กล่าวตูพววตตววต่พระพุทธศาสนาด้วยจะไม่กล่าวตู่ตนด้วยกล่าวตู่พระพุทธศาสนากับกล่าวตู่ตนก็มีความหมายอันเดียวกันพระผู้พระ พ, พ, พุทธศาสนาอยู่ที่ตนเองอยู่ที่แต่ละท่านท่านละคนอยู่ที่กายวาจาใจ ถ้าย่นลงเป็นหนึ่งก็เล่นย่นลงถึงใจถ้าพูดเป็นติ๊กกะก็พูดถึงกายก็วาจาถ้าพูดเป็นสีก็ธาตุสีดินน้ำไฟลมหรืออริยสัจสี่ถ้าพูดเป็นห้าเป็นบรรยากาศนิบาทก็รูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณ ก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าพูดเป็นหก่าอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกก็พูดของเก่านั่นเองอายะอายตนะภายในมีในตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็ น, นต้นตาหูจมูกเล่นกายเป็นรูปขันแล้วใจเป็นนามมะขันรูปเสียงกินรสโพธพภะเป็นรูปขัน ธรรมารมเป็นนามขันจริงเรนี้อยู่ใต้อํานาจอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้แตกสลายถ้าหากว่าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ชัดในปัจจุบันนนจิตปัจจุบันนธรรมแล้วก็เท่ากับว่าแต่พิจรารณากรรมฐานในพระพุทธศาสนาทุกๆ ก, กรรมฐานเพราะกรรมฐานแต่กมรมฐานลงไปรวมอยู่ในที่นั้น ฐานะใจเราเป็นที่ตั้งแห่งการภาวนาก็มีฐานะสองรูปฐานะนามฐานะเท่านั้นไม่มีฐานะอื่นที่จะเอามาตั้งทำไมถึงเอามาตั้งเพราะอยากจะเห็นเท็จจริงกันว่าเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง เ็ไม่เที่ยงขณะจิตเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเป็นเต็มไปด้วยสิ่งของที่ของที่ไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกขก์ขณะจิตเดียวสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์อยู่ในตัวก็เห็นรอบโลกแล้วไม่จำเป็นจะหเหาะเหินเดิอนอากาศไปดูปัญญาจักรสุจักสุคือปัญญาสมัตจักสุจักสุคือรอบข้อ ก็เป็นไรแต่เห็นตามสัญญาเคยหูโกหัดปากถ้าเห็นพร้อมกับกรรมาฐานที่ตั้งไห้สมมติว่าลมหายใจเข้าออท่างหนึ่งก็มีท่านเกิดขึ้นแล้วแปลปวนได้แตกสลายเป็นรอบๆความเกิดขึ้นแปลปวนได้แตกสลายก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองก็คือโลกนั่นเองก็คือสังขารนั่นเองก็คือกองทุกนั่นเอง ก็คือคําสั่งและคําสอนของพุธทธธรรมสงฆ์นั่นเองก็คือศีลนั่นเองก็คือสมาธินั่นเองก็คือปัญญานั่นเองสมดุลกันอยู่ที่เห็นในปัจจุบันจะสิ้นความสงสัยตอน ใ, นใดๆกะชิ้นความใสความสงสัยจิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอานาคตไม่ใช่ทำอดีตไม่ใช่ทำอานาคต ที่ถ้าหากว่าปาลบไม่ถูกไม่เป็นธรรมท่านทั้งหลายทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยได้เพราะไม่ถือสิทธิ์คนเดียวไ ด, ได้ในโลกล้วนอันิจจังไ ด, ได้ในโลกล้วนทุกขงัง ใดๆในโลกล้วนอนัตตาก็มีความหมายอันเดียวกันโลกภายในก็คือสกุลกายกับใจโลกภายนอกสัตว์อื่นบุคคลอื่นชัดโลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ฉชาติมาพระเจรหกชั้นพรหมโลกได้แก่โลกประภูมิสมุขชั้น พระลูกพระพมอีกสี่ชั้นซร่งเล้นี้อยู่ใต้อำนาจอานิจจังไปเสียแลว้วไม่จกเกษียนเลยเมื่ออยู่ใต้อำนาจอานิจจังก็ตู่อยู่ใต้อำนาจทุกขังอนัตตาอันเดียวกันกองทัพอันเดียวกันกองทัพฝ่ายสังขานยกพระนิพพานซะพระนิพพานเอาไว้ต่างหากไม่ต้องเอามาคุกเข้ากันต้องปลาบเรื่องสังขานและกองทุกข์ให้แตกให้หักเสียก่อน อันนั้นเอาไว้ข้างหลังอันนั้นเมื่อมาเห็นทุกพอเมื่อมาเห็นอนิจจังพอก็ไม่เบื่อไม่นายไม่คลายในวัฏรสงสาร mm hmm. เมื่อเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาพอทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วไม่บอกให้เบื่อก็เบื่อไม่บอกให้หนายก็หนายไม่บอกให้คลายก็คลาย เบื่อนายความหลงของตนที่เคยหลงมาคลายความหลงของตนที่เคยหลงมาเหตุฉะนั้นพระลงมศานาใครจะเข้ากรรมฐานอะไรก็ตามคาสอนของพุทธศาสนาจะพับกิจอยู่กี่วันก็ตามกี่คืนก็ตามเมื่อยังไม่พุทธพ้นก็มาพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเท่านั้น จะพิจารณาอันอื่นไม่มีหนทางจะเบือ่อนายธาตุที่แปดจะคูโตสตาคาณะชิวหากายะมโนก็ดีเป็นต้นก็ดีก็อยู่ใต้อำนาจอนิจังไปใช้วเมื่อเห็นอ น, นิจังชัดก็เห็นโลกชัด เมื่อเห็นความตายชัดก็เห็นโลกชัดเพราะโลกเต็มไปด้วยความตายเห็นความแก่ชัดก็เห็นโลกชัดเพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่เห็นความเก็บชัดก็เห็นโลกชัดเพราะโลกเต็มไปด้วยความเก็บแล้วให้พรกันทุกวันนี่น่ะอายุวโนสุขคังพลัง เป็นพรโลกีห ร, รือพรโลกุตระก็ต้องเป็นพรโลกุตระเขาให้มีอายุในพระสวสดาบวันสกทาคามียนาคามีวันณะสุขาภละก็เหมือนกันจงเป็นสุขอยู่ทุกเมือ่ออยู่ในิสีทุกเืขหน้าจงเป็นสุขอยู่ทุกเมือ่อเป็นสุขในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสุขในพระสวสดาบวันสกทาคามียนาคามีอหรหันเป็นสุขในทางอื่นไม่ได้เอามาพูด พอเป็นสุขอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังพ่อเป็นสุขถอยหลังพ่อห้ายบางทีบางทีก็กลับมาเป็นทุกข์เปลี่ยนกันอยู่เหมือนฝ่ า, ฝามือและหลังมือสุขในพระสวดาวันถึงร่างกายจะเป็นทุขกข์ก็ตามจิตใจสามารถก้าวหน้าจึงว่าเป็นสุขในโลกุตตะ นี่นี่จะปล่อยให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีเกียรติมียศเป็นผู้ออกปัญหาปารบเพื่อจะให้แลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกันพูดคนเดียวมันเบื่อหูต้องให้มีสิทธทุกๆ ท, ท่าน ท่นี่ท่านพลายจะเอ่ยขึ้นที่นี่ยกมือเอาขัดเดินจงกรมต้องไงบ้างครับฮะขัดเดินจงกรมเนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างครับโอ้ยังเคยขัดครับแล้วมันเคยขัดเดินจงกรมก็คือเดินภาวนา <c oughs> เดินกลับไปกลับมาตามธรรมเนียมของพระบรมศา ส, สดาเวลากับต้องกลับทางขวาเวลาเดินก็ เอาขาขวาออกก่อนแต่หลวงปู่มั่นไม่ได้ว่าจะกลับทางไหนก็าตามขอให้มีสติท่านพูดอย่างนั้นเราภาวนาอะไรอยู่ก็ขอให้มีสติหลวงปู่มั่นทางจงกรมนั่นจะยาวหรือสั้นตะเพียงไหนทําเนียมของหลวงปู่มั่นชอบในระหว่างยี่สิบเก้าแล้วก็กลับไปกลับมาแต่ในพระไตพี่ดกนั้น หกกสิบสองก็มีสังเกตดูสิ่งเหล่านี้คงไม่จำกัดแล้วแต่สถานที่จะอำนวยนาพิษณนีบางองค์ก็กอดต้นเสาเวียนไปเวียนมาแล้วก็สำเร็จพาาระรหัสมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของท่านแต่ละรายที่รู้จำเป็นจริงของธรรมะ เนี่ยปฏิบัติตามเป็นจริงของธรรมะและวรุดพ้นตามเป็นจริงของสิ่งที่ควรรุดพ้นเดินโยกลกลมหลวงปู่มั่นเคยเทศห้ามไม่ให้แกวงแขนห้ามไม่ให้เอามือคัดหลังมันเป็นนักเลงสุราท่านพูดอย่างนั้นแวงแขนรอบตัวก็ไม่ก็ไม่ถูกท่นหน่อ ย, อยนะต้องเอามือประสานกันอย่างนี้ลง ยืนขึ้นเอามือประสานกันอันนี้เดินจงกรมไม่ให้แขนแขนอย่างนี้นลหลว ง, ง, งปู่มั่นทำอย่างนี้เวลาจะเข้าเดินจงกรมหลวงปู่มั่นต้อง้นหน้าไปทางที่จะมันออกแค่อนแล้วก็ยกมือขึ้นแต่ว่าท่านพูดอะไรไม่ทราบเราเห็นแต่เพียงกิริยาถ้าเราจะไปถามพวกเกงท่านจะดุ ยกมือขึ้นเชือก่อนท่านยกมือขึ้นเวลาจะกลับท่านเข้าทางไหนท่านก็เวลาจะเลิกท่านเข้าทางไหนท่านก็มาจอดทางนั้นเน้วยกมือขึ้นนะครับเดินนี้เลยเวลาท่านจะออกจากทางกับผมได้สังเกตชัดอันนี้เนือว่าเวียนซ้ายเวียนขวาเนี่ยแล้วแต่สะดวก ก้าวสั้นก้าวยาวก็แล้วแต่สะดวกจะเดินเร็วนิชา่าก็แล้วแต่สะดวกอันนั้นบางท่านปีติเกิดขึ้นก็เดินเร็วความยินใจเกิดขึ้นปุ๊บปุปปปเหมือนทหารเลยบางท่านก็เดินธรรมดาเป็นตามนิสัยอันนี้ในนขนาดเดินจงกลมนี่จะปรากฏซิมิตบ้าไหมครับมีไหมครับ บางท่านก็มีบางท่านก็ไม่มีว่าจะเป็นแบบไหนก็มี้ในขนาดเดิม น, นะครับบางทีก็ปรากฏเห็นล่างกระดูกที่ไปขวางอยู่ข้างหน้าบางท่านก็มีล่างกระดูกเลื่อนออกก่อนข้างหน้าเรื่แต่จะเป็นตามสติปัญญาของแต่ละท่านละคนถ้าหากว่าภาวนาจเจริญชานสูงขึ้นไปแล้ว ก็ไม่สามารถจะมีนิมิตยกกุทาหอนเช่นผู้เดินจงกรมพร้อมกับขาก้าวออกเดินออกเดินเป็นแต่สักว่าเดินเป็นแต่สักว่ายืนเป็นแต่สักว่านั่งเป็นแต่สักว่านอนเป็นแต่สักว่าลูกเป็นแต่สักว่าเห็นเมื่อท่านเหล่านั้นมีสติอยู่อย่างนี้นิมิตทั้งหลายก็ไม่มีเพราะพวกนั้นทํำลายนิมิตแล้วเพราะนั่นพวกนั้นเป็นเดินเป็นมีปัชนาแลว้วไม่ใช่สมถะล้วน เพราะปัญญาแก่กล้าแล้วพวกที่อยู่ในสมถะรุ่นล้ว น, นพุโทโธก็มีสมาอาลหังก็มีก็เรียกแต่กรณีของท่านแต่ละคนละคนส่วนในมิตทั้งหลายนนมิแตแปลว่าเครื่องหมายนิ่มิตยทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอานิจังใช่แล้วเกิยขึ้นเรียกพอแปรปวนแต่สลาย จะเห็นเทวบุตรเทวราอินพมยมยักษ์ก็ตามเห็นอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่นั่นก็แปรปวนอยู่ที่นั่นก็ดับไปในที่นั้นผู้มีปัญญาก็ไม่พ้นจากพิจารณาอ น, นิจจงองีกธนมาโนโศภควาพระบรมศาสดามีชีวิตอยู่เทศดอ น, นิจจงทุกครั้งอนัตตามากกว่าเพื่อะ เขเป็นนิยายนิยธรรมนำสัตว์ทั้งหลายให้เบื่อหน่ายให้คลายเมาในวัตาสงสารกรรมฐานนันอื่นๆไม่สามารถจะเบื่อหน่ายคลายเมาได้ถึงจะพิจารณา อ, าอาสุภะอสุฟังสักเพียงใดก็าตามก็ยกลงสู่ตายรักเหมือนกันถึงจะพิจารณาเมตตาพรหมวิหารก็ยกลงสู่ตายรักเหมือนกันถึงจะภาวนาเมตตา ถึงจะพิจารณากาศสินก็ตามก็ต้องยกลงสู่อันนี้จังทุกขังอนาตาเะก่อนในตอนที่จะเินปัญญาถ้าที่แปดก็งือยกันจะคุนซีอินซีจะคุนสีน ส, สตินซีสมาทินซีก็ดีหรืออะไรก็ดี ตัวตินคาณินชีวหินกายินมนินอิทินโพลิศินชีวิตินสุกินทุกขินโสมนัสินโทมนสินอุเปกินสัตตินวิเยินสตินสมาธินก็ตามท่าใดใดทั้งปวงที่เป็นฝ่ายข้งขานก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วเป็นสถานีใหญ่ของการภาวนาการหวังพ้นในทุกในวัฏสงสารขณะจิตเดียว ชนะความเพลินในโลกทั้งปวงล้านล้านขณะจิตการเห็นภัยในวัฏฏะรสงสารขณะจิตเดียวดีกว่าเห็นเพลินในวัฏฏะสงสารทั้งล้านล้านขณะจิตพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระนับแต่นามูขึ้นไป นมโมพระโสดาบันก็แยกคายกว่านมโมของพุทุชนคนหนานมโมพระจักขตาคามีก็แยกคายไปอีกนมโมพระอนาคามีก็แยกคายไปอีกนมโมของพระรหันต์เรียนจบแล้วนอมนอ บ, นอบจนไม่มีกิเลสนอบนอบจนไม่โกรธไม่โลภไม่หลง พุทธังสะรณังคัจฉามิกลมเหมือนกันพระารหารเรียนพุทธังสะระณังคัจฉามิจบพระโสดาบันเริ่มต้นเรียนพุทธังสะรณังคัจฉามิทำมังสังขังควาเหมือนกันถ้าแปลทับศัพท์เพื่อให้เข้าใจง่ายพระารหารคมจน จนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงถึงไตรสน า, นาคมไตรสน า, นาคมนั่นถึงถึงที่สุดทุกโดยชอบเรียกว่าจบพระพุทธศาสนากับจบไตรสน า, นาคมตามก่อนนั่นลงมาก็เป็นโลกีตามกว่าพระสวดาบันลงมาเป็นโลกีทั้งนั้น ผู้บริจากทานผู้รักษาศีลผู้ภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏาทสงสารโดยโดวนในปัจจุบันในชาติมันเป็นโลคุตราเจตนาเต็มภูมิแล้วอย่างตูตุชนที่ไม่ได้บวชทางพระนะครับที่ปฏิบัติทุกวันนี้จะมีโอกาสบางรู้มาผลนะครับมีมีโอกาสเหมือนกันมีต้องต้องไปบัต อย่างยังไงครับจึงจะมีงงกับจะชอบก็มาทานอะไรก็ตามจะขอถึงซึ่งพระพุทธรธรรมพระสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณไม่สงสัยในพระพุทธรธรรมประสงค์ไม่สงสัยมรรผลนิพพานว่าเป็นของสูญของเสื่อมไปแล้วถือว่าพระพุทธองค์ยังมีอยู่เพราะคําสอนยังมีอยู่ไม่ถือว่าพระพุทธองค์เข้าพระนิพพานไปไหนเข้าสู่พระนิพพานไปไหน ธรรวินัยทั้งหลายนั่นเองจะเป็นคำสอนของท่านทั้งหลายแทนเราพระบรมศาสตรสา ย, ยืนยันแล้วท่านทั้ ง, ทงหลายจงปฏิบัติเถิดทั้งพระบรมศาสตร์พระสวสดาวันพระจักรตาคามีพระอนาคารามีมีทั้งค้าราชวาดมีทั้งพระภิกษุสามเณร ไม่อดบ้านาลันทานี่พอเหมือนกันแต่พระอนาคามีเป็นโสตถึงจะมีภรรยาหรือสามีอยู่ได้กันกามาวิตกไม่มีขาดไปแล้วส่วนพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ไม่ท้องพูดละ พอข้ามไปแล้วอยู่เหมือนกันกับดินอยู่เหมือนกันกับน้ำกับไฟกับลมอยู่เหมือนกันกับพี่กับน้องโดยสมมุติไม่มีการมาราคะขาดไปแล้วไม่ได้คุมจิตในเรื่องการมาราคะทุกสะความเหมือนกันความงุ่นวิดไม่มีในท่าน สามารถได้เหมือนกันสามารถได้จนถึงพระอรหันต์แต่ฆร า, าวาสเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่สามารถจะอยู่เกินเจ็ดวันไปเพราะเพศของฆร า, าวาสไม่สมฐานะพระอรหันต์ที่จะไปอยู่เกินกว่าเจ็ดวันถ้าหากว่าอุปสมบทหรือบรรพชาเป็ น, นชั่วโมเสียก็จะอยู่ไปจนถึงอายุไข ถ้าว่าไม่ต้องการจาระอุปสมบทและบรรพชาก็ไม่เกินเจดวันก็ต้องเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานธาไม่ติดข้องอทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยวิญญาปฏิสนธิก็ไม่มีในท่านสมุติท่านกระทรงคืนตามสมมตินิมมิตท่านก็ส่งคืนตามนิมุต สังขารก็ส่งคืนตามสังขารจิตก็ส่งคืนตามจิตผู้รู้ก็ส่งคืนตามผู้รู้ท่านไม่ไปเป็นไม่ไปเป็นปัญหาในสงครามกับผู้รู้ไม่ไปเป็นปัญหาในสงครามกับจิตท่านไม่ไปสอดแทรกใดๆทั้งสิ้นท่านผู้พ้นไปแล้ว กลัวแพ้กลัวชนะในองค์ท่านก็ไม่มีพอท่านชนะไปแล้วชนะปัญหาของตนไปแล้วชนะความหลงของตนไปแล้วพูดตามสมมุติท่านก็ไม่ติดสมมุติท่านไม่สำคัญตัวอยู่ในสมมุติด้วย ไม่สำคัญตัวอยู่ในวิมุตด้วยไม่สำคัญตัวอยู่ในยืนเดินนั่งนอนด้วยนึกคิดด้วยรู้ด้วยไม่รู้ด้วยไม่สำคัญตัวว่าอยู่ในที่ศุนศูนย์สันสารอะไรด้วยหรือไม่ศูนย์ไม่สารอะไรด้วยเหตุกรรมริบากจริงไม่มีในท่าน ผลของเหตุก็ไม่มีคือวิบากถ้าท่านส่งคืนท่านไม่ไปพิที่ไปพ้นสมมุติก็ส่งคืนให้สมมุติสุขก็ส่งคืนให้สุขทุกก็ส่งคืนให้ทุกอุเบกขาก็ส่งคืนให้อุเบกขาท่านไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของท่านผู้พ้นไปแล้ว ถ้าคิดพวกเรายังไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราก็ยังไม่พ้นเครื่องวัดเครื่องตวงมีอยู่ดินก็ส่งคืนให้ดินน้ำก็ส่งคืนให้น้ำไฟก็ส่งคืนให้ไฟลมก็ส่งคืนให้ลมตามสมมติไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นพวกเราก็หลุดพ้นถ้าพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราก็ยังอยู่ ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันพระพุทธศาสนาสอนให้ต่อสู้กับความหลงของตนไม่ได้สอนให้อบอเอาชนะท่านผู้อื่นชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนในทางพระพุทธศาสนามีเท่านั้นแต่โลกเอาไปใช้กัน แต่เอาไปใช่กันก็มีเตเวนสนองเวนไพสนองไยกันอยู่ทุกยอมยากพ่อพุทธศาสนายัางเน้นไปอีกในไตโลกธาตุไม่ใช่ที่ใหม่ของพวกเรานะที่เก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมาในวัตะทรงศาลนั่นเอง ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าที่ใหม่นะพระบรมศาสดาที่เก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมาในวัตตาสงสารนั่นเองผู้้า ก, ก้อนี้ก็ไม่ใช่ที่ใหม่ของพวกเราที่เก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วนั่นเองไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพ หนิ่งว่าอย่างนั้นมีอะไรเป็นเครื่องอ้างจึงเป็นศรัทธานุสสาลีจึงเป็นธรรมานุสสาลีเชื่อให้เป็นธรรมเชื่อตามศรัทธาที่เป็นธรรมน้ำตาเก็บไว้ชาตินโยตของพวกเธอทั้งหลายโอ้ลงมาสาธาดาถ้าไม่ให้อันตราฐานหายไปก็มากกว่า สีมหาสมุทรนี่นะกระดูขวางท่สันทั้งหลายที่ต่องเที่ยวในวัตตาสงสารถ้าเก็บไว้ชาบลนะถ้าหัวแม่มือนี่ไม่ให้อันตราฐานไปก็ใหญ่กว่าแผ่นดินนี้ใหญ่กว่าภูเขาซีเนโนราท่านทั้งหลายจงเอื้อมละอาเถิดจงสังเวชเถิดที่ตนเคยลงมา จงยาได้ประมาทเถิดจงรีบวิตยความหลงของตนออกเสียเถิดจงเกิดสรดทั้งเวทเสียเถิดความเพลินของท่านทั้งหลายจะดับไปเมื่อความเพลินในวัฏสงสารของท่านทั้งหลายดับไปตัญหาความทะเยอทะยานของพวกท่านก็ดับไปหมด โดยไม่เหลือเมื่อตัญหาของพวกท่านความทะเยอทะยานในพบน้อยและพบใหญ่ของพวกท่านดับไปหมดแล้วทุกท่านหลายก็ดับไปหมดด้วยสมุทัยก็ต้องดับไปในตัวด้วยนีโย่โลดทศก็แจ้งขึ้นในคันทะชันดานไม่มีอันใดก่อนอันใด ห, หลังถ้าเราพิจนาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยความทะเยอทะยาน ก็รงับลงมักกับนิโรธก็ทำให้แจ้งไปในตัวก็เจริญไปในตัวไม่ใช่ว่าจะเจริญทุกแล้วก็จะเจริญสมุทยัยถ้าพเจริญมักแล้วก็จเจริญนิโรธอันนั้นมันเป็นภาวนาเรียงแบบอันนั้น เราพิจารณาคุณพุทโธแล้วคุณธรรมเรายังไม่ได้พิจารณาถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกคุณของสังโฆเราก็ไม่ทันในพิจารณาถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกเท่าไหร่เพราะยังไม่แตกฉานในธรรมะเราพิจารณาคุณพุทโธธรรมสังโฆก็อยู่ในตัวเป็นเพียงอคติยอดเฉยเราจับหนังมันก็ถูกถูกเนื้อถูกกระดูกอยู่ในตัวเป็นแต่เพียงไหวจับหนังเฉย ที่นี้ไม่สงสัยในเรื่องจงกลมเนะทีนี่ไม่เดี๋ม่ทีีอะไรอีกที่นี่อาจารย์ ก, กำหนดเวลานั่งภาวนาเนะียให้สติตามดูจิตขนาดหรือว่าต้องทําังไงครับเรา ต, ต้องดูนิสัยของเราก่อนนิสัยของเราเป็นคนมักลืมหลงหรือยังไงถ้านิสัยของเราเป็นคนมักลืมลืมหลงหลง เพลือๆเราก็ต้องเจริญอานาปนานสติลมหาใจเข้าออกถ้าว่านิสัยของเราชอบโกรธง่ายอะไรๆก็ต้องโกรธง่ายเราก็ต้องแผ่เมตตาตนเสียก่อนตนไม่ชอบทุกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ชอบทุกแผ่ เ, เมตตาตนหังสุกิโตฮวิเนี่ เพราะเราจงเป็นสุขอย่ามีเวรมีภัยกับสิ่งอันใดในใจโลกทานทุกกระบนกันอะไรกระบวนกันเราไม่ชอบเอาตนเป็นพยานแล้วก็แผ่เมตตาไปทั่วทุกผลทุกแหตุบอกว่าสัดทั้งหลายคําว่าทุกๆไม่ชอบคําว่าสุขๆได้ยินว่าสุขๆก็ต้องชอบมนุษย์ทั้งหลายคําว่าทุกๆถึงจะไม่รู้ทุกๆก็ตาม ทุกจะไม่รู้ว่าเหตุเกิดทุกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็าตามแต่ก็ชอบสุขเราจึงแผ่เมตตาไปถ้าเราไม่แผ่เมตตาเอาตนเป็นพยานก่อนมันก็เป็นภายเรือโต้ห น, น้ามันไม่ค่อยอยากไปไม่สนิทถ้าหากว่าจิตใจของเรารักสวยรักงามเป็นเจ้าหัวใจมองไปทางไหนทางไหนก็ชอบแต่จะรัก ในรูปในโฉมของเพศที่ตรงงานข้าได้ระวังอยู่เสมอเสมออันนี้เราก็ต้องพิจารณาอาชพระจะหนีไม่ได้ในสกลนกายของเราที่ไหนมันซกรปกโสมมุมเราก็ต้องพิจารณาอันนั้นมากกว่าเพื่อนสิ่งอื่นๆที่มาเห็นมันก็เห็นไปเอง ถ้าเห็นอันหนึ่งเป็นปฏิกูลชัดในสกลรากายนี่สิ่งอื่นๆกาเสมอภาคกันไปหมดหรือจะพิจารณาแต่ผมลงมาหาฝ่าเท้าจะพิจารณาแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปหาผมลายผมดูลักษณะของมันเหมืนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ก็ตามเราอย่าไปมุ่งมันถ้าเรามุง่งมันไม่ถูก พราะกรรมฐ า, านก็เพื่อนไปนิมิตรทั้งหลายนี่สำหรับอัตมาไม่สงสัยพราะผ่านมาเนี่ยแต่สองพันสี่รอยแปดสิบปดบางทีห่อเหินเดินอากาศบางทีตีลังกาทางอากาศออปิ้นความปิ้นหงาย บางทีก็เหาะไปในทางนอนทะลุภูเขาเลยบางทีก็เดินโยมในทางอากาศบางทีก็ขัดสมาธิไปเรื่องเหล่านี้มันเป็นอุปจารสมาธิหมดกำลังก็ถอนออกมาเท่านั้นที่หมดกำลังถอนออกมาคืออะไรก็คืออนิจจังนั่นเองนั่นสมาธิถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังอยู่ใต้อำนาจอนิจจัง เน่ฉะนั้นพระบรมศาสตร์ราจึงไม่สอในให้ติดอยู่ถ้าติดอยู่ในเพียงสมาธิเพียงแค่นั้นถ้าตายในเวลานั้นก็ไปพร ม, มโลกพร ม, มปริสัชชาหมดอายุไขก็ลงมาอีกวันกันเขามีพบเป็นที่เกิดของสัตว์อยู่พระโอพระวัจจะโยพระโอพระวะปปลวะพบเป็นที่เกิดของสตัตว์ ดับใจถ่ายใจไม่สำคัญเดี๋ยวนี้ท่านนั่งอยู่นะท่านนึกอันนั้นเราจะไปอธิจารย์นคนอื่นมากกว่าเรามันก็ไม่ถูกเรารู้จักก่อนผู้อื่นแล้วผู้อื่นมาถ่ายตามหลังเราเรานึกอะไรคนอื่นมาถ่ายตามหลังเราเราจะไปให้คะแนนแต่คนอื่นส่วนตัวไม่ให้คะแนนมันก็ไม่ถูกเพราะเรารู้จักก่อนเขาแล้ว ก่อนผู้ที่มาทํานายทายทักแล้วบางท่านชอบปาฏิหาริ์ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนามีสามอิติปาฏิหาริย์ริบเป็นอาธิจัรยร์อาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจเป็นอาธิจัรย์อุปสาสนีปาฏิหาริยะคําสอนเป็นอาธจรนท์ทุกๆคนก็ต้องมี ปาฏิหาริย์อยู่ทุกๆท่านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วรับตาเข้าก็มืดเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วพระบระมศาสด า, าก็สอนมาให้ติดอยู่ในปาฏิหารจะเนิ่นช้าจะไม่พ้นทุกในวัฏฏะสงสารง่าย อุบายใดที่จะพ้นทุกนวัตตาสงสารโดยง่ายจงใช่อุบายนั้นเถิดพระบรมสศารศาศาีดาเธอทั้งหลายอย่าไปพ้นทุกเป็นพระลหันเธอทั้งหลายอย่านอนใจเน้พระบรมสศารศดาอย่าถือวิสสาสักเถอดคือนอนใจ นอนใจกับนอนในหลุมถฐานเพลิงก็อันเดียวกันเพลิงแก่เพลิงเก็บเพลิงตายเพลิงลูกเพลิงกวดเพลิงหลวงแลสารพัดเครื่องทดสอบก็มีอยู่ว่าถ้าเราหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติโดยดว่วนก็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเรานั้นสร้างสร้างมานานแล้วเกล้าแล้วมันมีเครื่องทดสอบเหมือนกัน เคองทดสอบในพระโสะดาบันก็มีอีกถ้าหากว่าเรายังยินดีในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีอยากจะละเมิดชิ้นห้าก็ดีทีนี้อยากฆ่าขายเครื่องประหานฆ่าขายสัตว์เป็นเลยเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายน้ำเมาฆ่าขายยาพิษสิ่งเหล่านี้ เป็นข้อห้ามของพระโสดาบันทั้งนั้นพระโสดาบันไม่เชียดยอยากทำการพรนันทุกชนิดพระโสดาบันก็ไม่เชียดยอยากทำถ้าหากว่าเราถือว่าการพรนันจะมาแก้แค้นของเราได้ในเวลาที่เราเหมาะสม mm. ก็ให้ทราบเถิดว่าจิต mm. ใจของเรายัางยังยังไม่ถึงความหมายของพระพุทธศาสนาชันนมันมีเครื่องทดสอบเหมือนกัน ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาทดสอบให้เอาทดสอบเองได้จะหนุ่มหรือจะแกก็ไม่เป็นปัญหาจเจ้าอายุมาแข่งกันก็ไม่เป็นปัญหาแข่งทําไมเพราะมันล่วงไปหนุ่มมันก็ล่วงไปแกมันก็ล่วงไปอายุนมันไม่ใช่มันอยู่กับเราคนแก่ก็มาจากคนหนุ่มคนตายก็มาจากคนเกิด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 พูดดีก็เป็นเรื่องใหม่ไปอีกก็เป็นเรื่องของเก่าล่เองเป็นรอบเก่าล่ะเองนั่นนโมตัสสะแปว่าตัวเราตัวสมาธมพุทธะนี่เรียกว่าสัญญาสัญญาเกินดับเร็วเหมือนพยับเดชเราไม่อยากอวดดีต่อพระอริยเจ้าอยากจะยกทงขาวเพราะเหตุใด เขาเห็นว่าความสุขในไตรโลกธาตุพระอริยเจ้าหาไม่เห็นเสียแล้วไม่มีถ้าว่ามีอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่าเมล็ดพันธุน์ ก, กาศพระอริยเจ้าก็อยู่เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้เพราะวิญญาณปฏิสนที่จะไปตั้งอยู่ในที่นั้นท่านมองมาเห็นเสียเลยพระสังขารละเอียดก็ดับไปตามละเอียด ถ้าเราจะฝืนทำให้จิตใจติดอยู่เพียงแค่นี้เราก็พ้นไปจากความหลงของเราไม่ได้สาเรียเจ้าท่านสอนท่านอย่างนั้นสัพพโลกเกียพิรตาสัญญาอนิทะกะสัญญาสัพเลทัสพสังฆาเลสุอนิทะกะสัญญาท่านทั้งหลายจงหยาเย็นนี้ในโลกทั้งปวงจงหน้าเบื่อนาในโลกทั้งปวง จงละอาในโลกทางปวงเสือเถิดโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคภายในโรคกายตาหูจมูกลิ้นย่นลงมาเป็นโรคกายตรงตาหูจมูกลิ้นกายก็ย่นลงมาเป็นโรคกายใจย่นลงมาเป็นโรคธรรมมาเป็นสังขารธรรมมาเป็นนามาสังขาร รูปก็เป็นรูปสังขารหรือเป็นรูปประโลกหรือเป็นรูปประธาหรือเป็นรูปประสังขารนอกจากสังขารมัมีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากสังขารมัมีอันใดจะแปรปรวนนอกจากสังขารม่มีอันใดจะดับไปนอกจากทุกข์มันมีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์มันมีอันใดจะแปรปรวนนอกจากทุกข์มันมีอันใดจะดับไปนอกจากอนิจจังไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากอนิจจังไม่มีอันใดจะแปรปรวน นอกจากอ น, นิจจังไม่มีอันใดจสลับไปอันเดียวกันตีโวหารมากเฉยๆหดอกผลลัพธ์อันเดียวกันรสชาติก็อันเดียวกันแต่โวหารพูดหลายอันคําว่าโวหารก็ให้หารลงให้หารลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันลงกําลังเข้ายังไม่ออกก็ไม่ต้องหมาย ลมกำลังออกไม่ไมันยังไม่เข้าก็ไม่ต้องหายหายใจเข้าหายใจออกแต่ความํำนานก็ต้องรู้ล่วงหน้าพอเรารู้สึกว่าลมเข้ามันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเรานึกขึ้นทนี่เรามาพูดการที่นึกขึ้นเป็นอดีตไปแล้วไหลไปไหลไปเหมือนน้ำเหมือนกันเหมือนคลื่น ลูกนี่มาแล้วลูกนั่นก็มาลูกนี่มาแล้วลูกนั้นก็มากระทบกันตึงตังตึงตงอยู่อย่างนั้นหรือเหมือนน้าไหลพอเราบัญญัติว่าปัจจุบันมันก็ปลายไปเป็นอดีตจ้ะนี่นี่นี่นี่กำลังไหลมานี่นี่นี่ น, นี่มีอะไรฟูรมานี่นี่เราบัญญัติปัจจุบันมันก็ร่วงไปนั่นเข็มนาฬิกานั่นมันไม่มีกลางวันกลางคืนอันนั้นมันยังหมดเป็ น, น, น ที่นี่อันนี้จังนะนันิกาอันนี้จังหมดไม่เป็นไม่มดลานเป็นไม่มดฐานเป็นเหมือนอย่างนี้จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นปัญหานี่เรื่องของใครของมันเมื่อผู้เห็นตามเป็นจริงโลกเป็นจริงอยู่อย่างนี้แล้วที่นีความเพลินในโลกจะมาจากประตูไหนทีนี่ถ้าเห็นชัดเนะ่ะเมื่อมดูอดีตก็คือ ทุกที่รวงมาแล้วอันนี้จางที่รวงมาแล้วเกิดดับที่รองมาแล้วสังขารที่รวงมาแล้วฟองทุกที่รองมาแล้วมองหููนาโคต็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันทีนี่เมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความเพลินในวัฏสงสารจะมาจากประตูไหนอีกใครจะมาโกหกปกลมได้ทีนี่พระนิรย์เจ้าหาความสุขในใจโลกธาตุไม่พบไม่เห็นท่านจึงยอมจำนวน